มื่วันตอนเช้าได้พูดถึงวิชาเผื่อใจวิชาเผื่อใจคือการที่เรามาปฏิบัติธรรมกันจริญาสติปัฏฐานนะมันเป็นวิชาเผื่อใจไอ้ที่ว่าแน่มันก็ไม่แน่ไอ้ที่ว่าไม่แน่มันก็แน่ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนไอ้ว่ามไม่แน่นอนมันคือความแน่นอนน ไอ้ที่ว่าใช่ก็ อ, อาจจะไม่ใช่ไอ้ที่ว่าไม่ใช่ อ, อาจจะใช่ในโลกใบนี้มีสมมติบัญญัติต่างๆมากมายซึ่งถ้าหลงยึดเข้าไปถือเข้าไปไท้ายจะก็เป็นตัณหาอุปท า, านเป็นกิเลสสามเป็นตัณหา3เป็นอุปท า, าน4ี่ยึดเข้าไป ยึดว่าเป็นตัวเป็นตนยึดว่าเรายึดว่าเขาสุขสวยรวยดีต่างๆยึดให้เราก็ให้ค่าให้ค่าคือราคานั่นแหละการให้ราคาตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ค่าสิ่งไหนเราก็ทุกขกสุขเพราะสิ่งนั้นเราก็จึงมาฝึกวิชาเพื่อใจเพราะเราอยู่กับสมมติบัญญัติของโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เราอยู่กับโลกที่มีาการเกิดดับก็ว่าได้ทั้งกายใจของเราคือส่วนหนึ่งนะธรรมชาติของโลกใบนี้ที่บัตดขึ้นมาอยู่กับโลกมีการเอาเข้ามีการเอาออกมีทั้งภายนอกมีทั้งภายในอย่างตากระทบรูปรูปายนอกหูกระทบเสียงเสียงภายนอกภายในลืนะ่องนักของที่เรียกว่าอายตนะอายตนะซึงเป็นเรื่องที่ กระทบเข้ากระทบออกเป็นกู้กูู้้กูกันเราก็จึงมาเห็นการกระทบแต่ละครั้งผัสสะแต่ละครั้งต่างตาหูจมูกนิ้กายใจมันเชื่อมโยงไม่หาระบบความคิดคิดแล้วก็ทุกข์โดยเพราะตัวที่เผลอตัวที่มันหลงคิดโดยที่เราไม่ได้ตั้งอกตั้งใจแต่นี้มาคิดได้ทั้งวันแต่ตัวเจตนาคิดนี่มันน้อยมากพอคิดขึ้นมาเจตนาขึ้นมาก็จะมีปัญหาตันที มงเหงาหอนอนเช่นท้องก๋ยกอไก่ก็ไข่ในเล้ากันะหรือว่าป่าใบถือใหญ่บัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอยาละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีโดนลวดเอบีซีดีวะนีท่องสูตรคณิตศาสตร์ต่างๆโมเมนต์เท่ากับแรงคูณด้วยระยะทางนะมันก็ปวดหัวนะสูตรฟิสิกสูตรคณิตศาสตร์ สวยยาศาสตร์ต่างๆอยากท่องจำก็ด้ททองมนสวดมลไม่อยากจำประห ย, ยัดสวดให้ทองก็หาวตั้งใจจะทำอะไรมันก็ไม่เต็มที่ไม่เต็มเน็ตไม่เต็มหน่วยไม่บรรลุวัตถุประสงค์นี่คือความตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่ดีที่งามแต่ที่ไม่ดีไม่งามมันผุดคิดได้ทั้งวันทำไมก็ทำกับเราทำไมก็ทำอย่างนั้นทำไมก็ทำอย่างนี้นไอ้บเบี้เนี่ยมันคิดเก่ง คิแล้วก็เวามันมากเลยอร่อยเบบนี้อร่อ ย, ออ ย, ออยจนหลงเผลอได้ทั้งวันแล้วจะรู้สึกตัวเล็กๆน้อยไปเราก็ได้เห็นตอนที่ฝึกที่หัดนะตอนที่เราเคลื่อนไหวรู้สึกตอนที่เราสร้างรูปแบบนขึ้นมาเราก็ไม่ได้คิดทำมาเองอครูบาอาจารย์บรรพกุรุษเขาก็บอกอยู่ถ้าจะฝึกปฏิบัติธรำแนวเคลื่อนไหวนี่ยก็ต้องเคลื่อนไหวสิบสี่ชั่ววัตเราก็เห็นกันบางทีเราก็ส่งจิตออกไปข้างนอกนะ ส่งจิตออกไปตามที่ความเคยชินนีสายต่างๆจลิตต่างๆมันคุ้นแบบเนี้ยจะว่าไงก็เรียกว่าตัวตนอัตตาทั้งหลายมันจะแสดงออกมามันก็เลยไม่เป็นหนึ่งเดียวกันแต่พอเรารู้สึกตัวมันจะเกิดความรู้สึกมันมีอาการนะนะกระทบสัมผัสมารู้สึกนะการเกินการไหวหยาบๆแล้วเราก็ผลิตขึ้นมา ให้ตัวละเอียดมันก็มีอยู่อาการต่างๆของกายของใจมันก็แสดงออกมาให้เราได้สัมผัสฝึกหัดเรียนรู้มันก็จะแตกฉาเรื่องนเรื่องของกายเรื่องของใจแล้วเราก็เห็นว่าอ๋อที่ผ่านมานะอาการว่าไหวว่าไหวไปจิตจิตจจิตจิตจิตคืออาการของจิตเนี่ยนะก็เรียกว่าเจตสิกมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราก็รู้เท่ารู้ทันได้จิตเจตสิกเนี่ย จิตเดิมแท้มันปกติอยู่มันว่างๆว่างๆหยุดๆเ ย, ย็นๆอย่เาเงีพอมันคิดปับ๊บรู้ปุ๊บมันก็เออตัดให้เรานะความคิดก็หยุดลงสะดุดลงก็เป็นความหลุดโลง่งเรียวกว่าวิมุตต์ก็ได้นะโาสนาชี้ถึงเรื่องวิมุตต์เป็นแก น, นไม่ใช่มาประคับประคองศีลรูปคำศีลไม่ใช่มันเป็นแก่นเลยก็คือคิ ด, ป, ดปั๊บตัดปุ๊บแต่ตรงนั้นมันเป็นแก่นนะ มันไม่เป็นไฟลามทุ่งไปถึงความทุกข์นะมันเป็นจำนวนถ้าหากไม่รู้เท่าไม่รู้ทันมันคิดแล้วก็หลงเข้าไปมันเป็นจำนวนแต่พอมันรู้สึกตัวว่ามันตัดมันเป็นจำนวนดันดีนะเราก็ทําได้ทุกคนนะมันก็เลยเป็นเรื่องของสิ่งเดียวกันเมื่อเราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเดินจงกรมรู้สึกตัวคิดปลาปลูบคิดปรับลูบปลาปเนี่ยมันตัดหลุดหลุดพ้น กลายเป็นความโล่งโปร่งผ่อนคลายสบายเนื้อสบายตัวไปเลยไม่เอาหรือไงสิ่งนี้นปฏิบัติธรรมก็ต้องลดละปล่อยวางนมันมีก็มันอยู่ทุกครั้งที่รู้สึกเนี่แหละจึงไม่ต้องไปคิดอะไรหรอกคิดวางคิดอะไรกันมากมายมันไม่ใช่หรอกแต่ว่าได้ยินได้ฟังไว้มันก็ดีนะการปล่อยการวางแต่ว่านะมันไปยึดไปถือทําไมนะทำไมยึดไม่ถือมัไม่ต้องปล่อยไม่ต้องวางยเี้นะ แต่มันต้องยึดต้องถือเพราะว่ายึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้มันก็ต้องยึดะแต่พระพุทธคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไรรวมมงคลสามสิบแปดที่เราสวดทั้งหมดนั่นแหะถ้าไปยึดไปถือโดยที่ไม่รู้เมื้อรู้ตัวนะนไม่เคลื่อนไหวไม่รู้สึกตัวมันจะกลายเป็นความคิดทั้งหมดนั่นะแต่ถ้าหากเราสัมผัสรู้ความรู้สึกตัวจริงๆเลนะทุกอย่างมันมาเองไม่อยากได้มันก็ได้ไม่อยากเห็นมันก็เห็นไม่อยากเป็ น, นก็เป็นมันมาเอง เพความรู้สึกตัวมันบอกอยู่นะสติปัญญามันพาไปอยู่ตัวรู้นพาไปตัวหลงมันก็เป็นอย่างที่มันเคยเป็นนะเคยเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะก็เรียกว่าเคยทุกข์ยังไงเคยเพึ่งตัวเองไม่ได้ยังไงก็เหมือนเดิมน่ะนะเคยเป็นคนยากจนแล่นแค้นหัวรอดรองไห้งงก็เหมือนเดิมน่ะนะยังมีอาการเดิมอยู่เคยกระทบกระทั่งแล้วก็ อารมณ์ไม่ผ่านยังไงมันวูบว่าบยังไงมันหวั่นไหวยังไงมันหงุดหงิดยังก็เหมือนเดิมเคยมีปัญหายังไงก็ปัญหาก็อยู่อย่างนั้นเหมันไม่เกิดปัญญาสักทีตัวเดือดเหตุที่ว่ามันไม่เกินไหวรู้สึกตัวนถึง ร, รู้ก็รู้ไม่ถูกถึงทําก็ทําไม่เป็นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องข้างนอกมันเข้ามาข้างในเรื่องข้างในก็ออกไปข้างนอกถ้าเราข้างในเราดีเอาข้างนอกมันก็ดีอเป็นเรื่องของหน้าที่การงานมีความสําเร็จน มีผลงานต่างๆมันแสดงออกได้การคิดการพูดการทำการรับผิดชอบมันมีอยูนะ่จากข้างนอกมาสู่ข้างในก็คือเราเคยวันไหวไม่เข้าใจตัวเองเมื่อเรากลับมารู้สึกข้างตัวก็ลวกลับมาอยู่ข้างในมาเรีรู้เรื่องราวต่างๆอาการต่างๆมีการเรียนรู้เป็นลำดับชั้นขั้นตอนก็มันต่อไปอะไรที่มันเป็นกิเลสอย่างยามก็เรียนรู้ อะไรเป็นกิเลสอย่างกลางก็เรียนรู้อะไรเป็นกิเลสอย่างละเอียดก็เรียนรู้มันมีความรู้เนะื้อรู้ตัวก็กลับมาดูตัวเองนะด็มีกายก็ดูกายมีใจก็ดูใจถ้ามีสภาวะผู้ดูตาในตื่นสติปัญญามันเปิดขึ้นมานีมันจะต้องเห็นนะตรงนี้แหละก็คือมันเป็นวิชาเผื่อใจมัอมันเห็นแล้วก็รู้แล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจริงๆต้องพัดผ้าจากของรักของชอบใจจริงๆ อย่างน้อยวันนี้มันไม่ทุกถึงที่สุดบันหน้าสัมปรยาภพมันเจอแน่เพราะนั้นการวิบัติวันนี้นเป็นวันหน้าหรือว่าที่ผ่านมาทั้งหมดที่ทํามันก็เป็นวันนี้มันก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นมากิตตภาวนาคําว่าพัฒนาภาวนาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าได้วัตถุหนึ่งสองสามบุคหนึ่งสองสามเป็นเจ้าลทัทธิหรือว่าเป็นผู้ที่มีบริวารหรือว่ามี ทรัพ ส, สมบัติมากมายปัจจัยสี่ห้าหกเจ็แปดลาบสกาละไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเราอยู่กับตัวเองได้ทุกรดลงเราพร้อมปล่อยพร้อมวางขณะใดๆก็ตามที่มันเป็นทุกที่มันทําเสร็จแล้วนะมันวางทันทีนะครับรถมาเงี้ยมันจะไปนั่งอยู่บนรถทําไมนีมันก็นั่งในรถนะเมื่อเวลาเดินทางแต่พอถึงจุดหมายปลายทางมันก็จอดอนะครับเพราะฉะนั้นการทําการหยุดการเคลื่อนการไหวเนี่ยมันมีที่มาที่ไป ชัดเจนก็เพื่อทําให้เราเกิดความปล่อยวางแต่ละษณะที่เราเคลื่อนไหวนั่นแหละก็เรียกว่าเคลื่อนจนไม่มีผู้เคลื่อนมีแต่การเคลื่อนเฉยๆตัวดูตัวรู้มก็อ่านไปเรื่อยๆอ่านตําราเล่มใหญ่กายใจของเรานะมันอ่านมันจะพบความจริงขึ้นไหมความจริงก็คือสัจธรรมนะสัจจะคือความจริงความจริงมันคืออะไรล่ะคือมันไม่ใช่เราอน่ะล่ะ รูปธรปรมนามธรรมมันไม่ใช่เราจริงๆเป็นแค่ก้อนธาตุก้อนธรรเป็นแค่เรื่องน่ะของการประชุมที่สมดุลขึ้นมามันก็เป็นตัวชีวิตชีวาอย่างนี้นะแต่จิตของเรานี่ยเวลามันปรุงแต่งมันประชุมกันเนี่ยมันประชุมด้วยความหลงโดยความที่มันไม่รู้เท่ารู้ทันตามลักษณะของกรรมวิบากเนี่ที่มันส่งผลขึ้นมาเป็นนิส่งเป็นอา น, นิสง์่ง เป็นระนาของวัตถุประสงค์หรือว่าเราเจ็ดจำนงขึ้นมาดำหลีอุปโลกมันเป็นการทำหน้าที่หรือว่าไม่ได้ทำหน้าที่ต่างๆมันจะตอบเป็นมงคลสามสิบปดนั่นแหละอะไรที่ทำแล้วจะริญเป็นความผาสุกก็เป็นมงคลอะไรที่มันไม่ใช่ความจเจริญเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นก็เป็นอัปมงคลอยู่ที่กายวาจาใจของเรานี่แหละสมมุติการคิดการพูดการทำ ทำสิ่งเดียวกันบางคนทำได้บางคนก็ทำไม่ได้สิ่งเดียวกันนะคำพูดประโยคเดียวกันบางคนพูดนะฟังดีแต่คนพูดน่ยฟังไม่เข้าตาเลยบางคนพูดเงี้ยโอ้ดีจังชื่นใจนะยิงด่ายิงรักแต่บางคนเนี่ยโอ้พูดดีๆก็ยังโกรธกันมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเรียนรู้นะวิชาฝึกสติปัญฐานนะวิชากรรมฐานผลทาให้เกิดวิปัสสนาญาณยัน ไม่ได้เห็นการคิดการพูดการทําอะไรก็ตามถ้าเป็นความบริสุทธิ์น่ะทําไปยังไงมันก็บริสุทธิ์ทั้งหมดนั้นอะไรที่ทําเป็นความจริงนะเมื่อบอกไปมันมีเหตุผลคนก็ยอมรับได้ทั้งหมดนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆตรงนี้แหละมันจึงเหนือดีเหนือชั่วเหนือถูกเหนือผิดเหนืเหตุเหนือผลเหนือการเปรียบเทียบทั้งหมดเพราะว่ามันคือความรู้สึกตัวมันทําได้ความรู้สึกตัวมันทําแล้วว่าแล้วไป จบแล้วก็จบไปอย่างงี้นะมันไม่ยึดไม่ถือจริงๆเพราะตอนทํามันไม่ได้ทาแบบเป็นกรรมกรรมดีกรรมชั่วแต่มันทําเป็นธรรมชาติมันเห็นปัญหามแก้ไขปัญหามันเป็นตัวปัญญาพาธรรมมันไม่ใช่กิเลสพาธรรมถ้ากิเลสพาทรเน่ยถึงดีขนาดไหนเดี๋ยวก็เรียบร้อยตบัญญาพาทรเนี่ยเผื่อมันเป็นสิ่งที่มันดูแปลกๆแต่ท้ายส่วนเป็นความบริสุทธิ์ใจมันมีอยู่ตรงนี้เราประพฤติผมอาจารย์ กลับพืชปรมอาจารย์การพิจการพูดการทาเป็นความบริสุทธิ์ลองอยูย่ๆนะเหล่านี้นะใครมาพูดกนะูมึงกูมึงกันนะยกตัวอย่างภาษานะีกูอย่างนั้นมึงอย่างนี้ไอ้หาไอ้เหวนะ่านีเรามาพูดกันตอนนี้นะรับไม่ได้นะแต่ลองเป็นหลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่ไความเคารพกันอย่างของพันีลยจะพูดกูนะเว้าขาบกลิ้งกนะนะูอย่างเช่นขับรถเนี้ยนะ มีลูกหลวงพ่อคูณนะก็เล่ากันว่าเออคนขับรถขับรถไปคว่าข้างถนนนะก็ไปหาหลวงพ่อคูณว่าทําไมแควแหวนเหรียญหลวงพ่อคูณแล้วก็มันไม่ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะทําไมรถยังคว่ำอยู่หลวงพ่อคูณก็ถามแล้วมึงมึงขับรถความเร็วเท่าไหร่อ๋อผมขับไปร้อยี่สิบครับตอนคว่ำโอ้ยกูแปดสิบกูก็กระโดดลงแล้วเนี่ย มึงขับ80กูก็โดนลงแล้วเนี่ยคนฟังก็ขำรัวช่วงพระเทพสเสด็จอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วก็มีผู้ว่าราชการสั่งหลวงพ่อโกลว่าห้ามพูดกูมึงกับพวกราชวงศ์นะหลวงพ่อโกลก็ไม่พูดจนกระทั่งพระเทพจ ะ, สะเสด็จขึ้นรถอย่างเงี้ยก็เลยถามหลวงพ่อทำไมไม่คุยกับหนูไม่พูดกับหนูเลยหลวงพ่อโก็บอกว่าก้อยพวกเนี่ยไม่ให้กูพูดกับมึงเนี่ย ให้พวกูว่าราชการพวกน้ไม่ให้กูพูดกับมึงคนก็ข้ามกันกนะก็คือคำพูดเป็นความบริสุทธิ์ก็หาเป็นภาษาพ่อคุณลามคำแหงนอะไรต่างๆนานามากมายเราเห็นนั่นคือสมมุติบัญญัติบางทีพูดดีกันนหวานนะแต่ว่าโอวาจาในหวานแต่ว่าจิตใจในเชื้อดคอเรียกว่าลายลึกพวกนี้นเห็นเยอ ะ, ะพูดจาดแหล กะจบประแจงท้ายสุดก็คือแอบแทงข้างหลังวนะเยเราเห็นอนะไรเนยก็ไม่ว่ากันเพราะมันเะนคือโรคใบนี้เนีเป็นเรื่องของโรคนะที่มันอยู่ในโลคเนี่ยเราก็ต้องมีอาการหล่นะเนี่ยเราก็ได้เห็นว่ามันเป็นสมมัติบัญญัติประมัดบัญญัติะประมัดบัญญัติมันก็มีก็คือความจริงที่ไม่เกี่ยวกับใครเนีเกี่ยวกับใจของเราใจ ข, ของเราที่รู้สึกอยู่เป็นปกติอยู่มันก็จะมีพลังนะตรงนี้มันจะมีพลังมีกําลังใจ ก็เรียกว่าพระนะั่นแหละมีกําลังของสติมีกาลังของศีลมีกาลังของสมาธิมีปั๊กําลังของสมาธิยัญญาพลังพลังของปัญญานะก็เรียกว่ามันพร้อมที่จะใช้เมื่อถึงเวลาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าถ้ามันไม่ได้ใช้มันก็มีอยู่เป็นที่เป็นทางของมันเราก็จึงมาเห็นสมมติฐานของจิตไม่ว่าจะเป็นกําลังของสติสมาธิปัญญาต่างๆ่หรือกําลังของศีล มันเกิดอย่างไรนะสมมติฐานของมันมันก็มีวิธีปฏิบัติให้เรานั่งตัวตรงอย่างเงี้ยนะดํารงสติให้มัน่นเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเป็นการเจริญสติแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะมาเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยมันก็รู้สึกได้เหมือนกันเมื่อเรารู้สึกมันก็จะเกิดปัญญาเลือกได้ไมาควรคิดต่อไม่ควรคิดต่อเนี่ยนะถ้าเป็นสติปัฏฐานจะเลือกตันที่กบมาสู่์ศูนย์ของมั น, นการตั้งศูนย์ก็คือ ด้านหน้าของความเป็นปกติไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่เอียงไปทางรูปขันไม่เอียงไปทางนามขันนะรูปขันก็คือเวลาเราเคลื่อนไหวรู้สึกแล้วก็เพ่งจี้จ้องเาปหนักทันทีประเภทเข้าไปในรูปขันนะเราก็จะได้เห็นรูปโลกนามโลกเมื่อก่อนถ้าไม่เห็นมันเวลาป่วยใจก็ป่วยทันทนะีไม่เห็นรูปเป็นโลกนั่งเจ็บใจก็จะเจ็บทันทีนะ จดความอ่อนแอเปล่าบางทังทนทะีแต่เป็นภาวะผู้ดูนั่นตั้งศูนย์ได้ก็เห็นเออตายเจ็บก็เรื่องของกายไปเลอย่างนี้นะนัองเจ็บก็ไม่ได้หว่าอะไรมาลุ้ง ม, มาศึกษาอ่อนี่คือเวทนาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเหมือนกันะพอเห็นกายก็ต้องเห็นเวทนานก็เห็นจิตนะอาการของจิตต่างๆได้ว่าความคิดเป็นอาการของจิตมาละเอียดลงไปแต่ว่าอ่อนมันก็ถูกรู้เท่ารู้ททนเพราะสติมันก็จะเจริญขึ้นมาะ มันมีกายมันมีจิตมันก็เห็นทั้งกายทั้งจิตะบางทีมันก็เห็นจิตสอนจิตไม่น่าทําเลยมันอาจจะทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นคิดไปตัง้งแต่เหตุการณ์ผ่านมาแล้วงทบทวนให้รู้สึกเข็ดหลาบให้รู้สึกเรียกว่าสะดุ้งวหวาดผวาเสียวนอย่าทําอีกอย่าทาอีกอย่างนีน้มันก็มีจิตสํานึกเกิดขึ้นมันก็เห็นจิตมันสอนจิตอยู่วิธีคิดสอนวิธีคิดที่คิดไม่เข้าท่าอย่างนี้นะ ก็ความคิดของเราเองนะปกติเราไม่ได้เตือนตัวเองคนอื่นก็มาเตือนเราเฮ้ยอย่าทำนะบทีพ่อแม่ก็เตือนเราที่เพื่อนก็มาเตือนเราเฮ้ยทําอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิทําง้นสิเราก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างเฮ้ยรู้สึกตัวสิก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างตอนนี้ต้องเตือนตัวเองให้ i, กลับมารู้สึกตัวนะนี่ก็ความคิดอีกแล้วเนะี่ยเราได้เห็นกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นมาในตัวเราเองก็เลยเข้าใจว่าโบราณท่านบอกไว้ว่านะผู้รู้นะ จ น, นนนนนจนเตือนต้นของตนเหตุผลผิดอ๋อมาตรงนี้นี่จงเตือนติดเออตนเตือนจิตของตนได้ใคจะเหมือนถ้าตนเตือน ต, อ น, ตอนไม่ได้กคจะเตือนอย่าแชร์เชินใครจะ เ, เตือนให้ป่วยอาการอ๋อนี่คือจิตสอนจิตนี่นะนะีมันความคิดสอนความคิดแต่หลวงพ่อเตียนพูดว่าเออมันเอาขี้เป็ดไปล้างขี้ไก่มันเห็นตั้งขู่คิดดีก็ตามคิดไม่ดีก็ตามมันคือความคิดอ๋อภาษาธรรมะเขาเรียกว่าจินตามัญญงปัญญายเ อ๋อจินตามนตรียาคือความคิดนี่เองนะคิดถูกคิดดีนคิดตรงตรงนี้ใจเลยเป็นความคิดมีเหนือว่านั้นไม่ต้องคิดนะนะตรงที่คิดมือยังเค้นระบบประสาทมายังมีความรู้สึกมีการเคลื่อนไหวของจิตมันก็คืออาการทุกข์เหมือนกันคิดดีขนาดไหนไปได้แค่พรมอ๋อมันตรงนี้คิดดีขนาดไหนไปได้แค่พรมคิดเมตตาคิดกัลยาณ์คิดเมตตาคิดอุเบกขา เป็นความคิดทั้งหมดเลยไม่ได้เห็นสภาวะตรงๆก็คือบวนการธรรมชาติของมันอย่างงี้นะอันนี้พูดถึงระหว่างเจริญสตินะแต่ถ้าเราทำงานทำการคิดลงไปคิดให้ตรงก็แล้วกันผสมคอนกรีตต้องใส่สูตรไหนลงไปอย่างงนะี้นะต้องการรับแรงอะไรอย่างเงี้ยจจะทำโครงหลังคาใช้สังกะสีใช้เหล็กหนาทักขนาดไหนเท่าไหร่ออันนี้คิดลงไปมันเป็นสัจจะอยู่สมมติสัจจะ ที่วิทยาศาสตร์ก็ค้นพบเล้ววิชาวิศวกรรมพวกนี้แต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้มาเรียนรู้วิชาวิศวกรรมเรามาเรียนรู้วิชาฐานของกรรมกรรมมีฐานมันอยู่ตรงไหนม้างปจีกรรมไหมนะกายกรรมมโนกรรมไหมโดเนี้ยเราไม่เคยเห็นว่ากรรมเกิดในจิตเป็นกรรมดีกรรมชั่วทำไมเกิดสุขเกิดทุกข์เกิมาผิดปกติเกมาอ๋อมันอยู่ตรงนี้ความคิดของเราที่ไม่ได้ตั้งใจ ก็นี้พอเรามาเห็นรู้สึกรู้สึกรู้สึกเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกเงี้ยทุกครั้งที่มันเห็นความคิดกระบอกแล้วมันหลุดพ้นมันหลุดพ้นเราจะเห็นเป็นอาการเลยมันรู้รับตัดจริงๆริมันเป็นความว่างขณะที่มันคิดอยู่เป็นอาการเคลื่อนไหวแต่พอรู้ทันปั๊บมันหยุดลงกลับคืนสู่ปกติเงี้ยเราจะเห็นปกติบ่อยๆก็มันก็เป็นมหาสติสิคันนี้มันก็ปกติได้นาน การเคลื่อนไหวมันจะไม่มีอาการต่างๆมาชวนให้เราเผลอหลงแล้วก็ไม่รู้สึกตัวมันจะมีน้อยมันจะไม่มีจุดอ่อนมันจะมีจุดแข็งเสริมเติมเต็มให้เรารู้สึกได้หนึ่งนาทีห้านาทีสิบนาทีนะึ่งชั่วโมงหนึ่งวันเียมันจะรู้สึกได้ถึงหลงกันน้อยถึงหลงก็รู้ทันนะเราก็รู้สึกอิริยาพนะมันปรากฏขึ้นมาให้เราได้สัมผัสต้อเน้นตื่นตาตื่นใจีเดียวนะ สติรู้กายมันก็ตื่นกายสติรู้ใจมันก็ตื่นใจโดยว่ามันเป็นการปลุกจิตให้มันตื่นรู้ขึ้นมาเลยจิตมันเคยหลับไหลมันไม่รู้ว่าอารมณ์ต่างๆหรือว่ากิเลสต่างๆความคิดต่างๆมันควบคุมมาไว้หมมันมีอิทธิพลมีอำนาจมันครอบงํำมาไว้ะแต่ทุกครั้งที่มันเคลื่อนไหวรู้สึกมันหลุดขึ้นมามันพ้นผ่านมามันก็จะเห็นอ๋อมันมีแดนอีกแดนหนึ่งวิมุตติหลุดพ้นะเรียกว่าโลกุตรธรรมถูกไหยมันไม่ใช่โลกีชะธรรม มันเป็นโลกุตรธรรมมันอยู่เหนืออารมณ์ทั้งปวงอารมณ์จะเกิดขึ้นมันก็ได้มีความหมายอะไรมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราก็เห็นแล้วอ๋อตรงนี้คือประตูใจคือลักษณะของสภาวะผู้ดูที่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้แหละนคือลักษณะของการจรรติปัฏ ฐ, ฐานที่ทําให้เราเห็นอาการต่างๆรูปโลกแล้วก็เป็นนามโลกยังไง นามเราคือคิดกดคิดโลดคิดหลงคิดละคิดจังกี้ฉาลิจยาขี้ละมายาสาไถโออวดเยอะยิ่งจองของพยองทรนงกนนี้เป็นของมานาทิฐิมาน้ำก็ละมาน่าได้เราเห็นว่าเออมันอยากไปบัติธรรมก็เห็นว่าหลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านเย็นเราก็ปฏิบัติธรรมเพราะเราเคยลอด ล, ล, ลุ่ ม, มขึ้นมามาคํานึนก็ไปสิบนั่นแหละกามาน้ําหนักประมาณหนกิโลก็ไปสนะิกิโลนั่ะ สิบเท่านะมันสะมันสะใจมันสะสมมันก็เป็นเรื่องของการผูกเวรผูกกรรมนะหรือว่าจองเวรจองกรรมจนกระทั่งไม่จบไม่สิ้นกันแต่พอเรามารู้สึกตัวรู้สึกตัวเนะเอมันเปลี่ยนไปนะมันกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องของข้างนอกไม่ใช่เรื่องของใจเราใจเราเรารักษาใจเรารู้เนื ร, รู้ตัวรู้สึกตัวสังเกตอารมณ์อ่านอารมณ์พัฒนาจิตของเรา แห่งกายเป็นเรื่องของไม่เบียดเบียนตัวเองนะไม่ต้องเบียดเบียนผู้อื่นด้วยปัญญามันก็ไม่มีปัญหาต่อไปตรานั้นนะมันก็เห็นเรื่องความรู้สึกตัวนี่สำคัญมันก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นกลายเป็นเรื่องของใครของเรากะละนะที่จะต้องมาฝึกหัดศึกษาเรียนรู้กายใจของเราเห็นรูปทุกนามทุกอย่างง้เป็นยังไงอยู่กับรูปยังไงมันก็ทุกเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนียบบท หายใจเข้าหายใจออกกับพิปแต่ประเดี๋ยวก็รหนาวก็ร้อนปรเดี๋ยวก็หิวต้องกินต้องกับายต่างๆเดี๋ยวว่าเจ็บเนื้อปวดตัวร้อนร้อหนาวหนาวเป็นไข้ไม่สบายเจ็บคอแสบตาแสบหูต่างๆอันนี้ก็มีโรคมากมายเหลือเกินโรคาภายัยมีหมอพยาบาลแต่ที่สำคันก็คือจิตของเราที่เป็นภัยวัตาสงสารเกิดจากความคิดแล้วก็ไม่รู้ท่าไม่รู้ทันตัวนี้ หลงคิดไปหรือว่าหลงเข้าไปในความคิดตัวนี้ะโดยที่ไม่รู้ว่าหลงตัวนี้นะมันกลายเป็นเรื่องของโลกคิตโลกใจนะะเป็นภัยวัตตะสงสารมันมีพระสัตหนาเป็นตัวแก้มีการเจรติปัฐานเป็นตัวบอกทิศบอกทางนะให้เราพ้นไปหรือว่าโลกหายไปโลกจิตโลกใจของเราคือไม่มีตัณหาว่าทันเข้าไปยึดตัณหาก็ละตัณหาได้นะอยากจะบรรลุธรรมอยากจะปฏิบัติธรรมเพื่อไม่ทุกขนะ์ แล้วเราก็ลงมือทําลงไปได้วยความพอใจด้วยจันทะเป็นจันทะไม่ใช่ความพอใจแต่หมายเราทุกข์แต่เป็นความพอใจที่เราจะศึกษาเราเรียนได้ศรัทธาได้วความเชื่อระทายสุดพอมันรู้แล้วมีความเป็นปกติดีมันก็ไม่ต้องทยานอยากที่จะฝึกความรู้สึกตัวยึดติดในรูปแบบมันไม่ใช่มันก็ปล่อยเขาวางเป็นเหมือนกันตันหาละตันหาได้มาณะละมาน ะ, ะานะไดนะ้หรือบางทีเนี่ย เราจะทำอะไรอีกมากมายเหลือเกินนะเอาคุณธรรมต่างๆมงคลฐานแปดมาเป็นตัวนําแล้วก็ทําตามลงไปบางทีก็ทําดีทั้งน้ําตาทาั้งที่ทุกข์เนี่ยนะทั้งที่ทำแล้วทุกข์ก็ต้องทำํำมันก็เลยเป็นเรื่องที่เอาเมตตามาเพื่อทตียดดับตัวโทสะตัวความโกรธไปที่มันเป็นอากโซลธรรมเราทาดีต่อไปหรือบางทีมันทําไม่ดีมาตลอดอย่างเนี้นะ อยู่ที่ไหนอยู่ที่อื่นมีใครรู้แล้วกว่าเราเป็นใครนะเป็นใครมาจากไหนเราไม่ได้มานั่งลําดับญาติกันพอมาอยู่ที่นี่เราก็เห็นว่าเออนะมีหลายสิ่งหลายอย่างทําแล้วมันก็เติมในส่วนที่ขาดเป็นการสร้างบารมีมันก็ทําลงไปบางคนก็เห็นไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้ น, อนั่นมันไม่เคยมีมันก็หยิบมาทําอย่างเนีน้ยไอ้นี่มันเคยเป็นของมีค่ามาตอนเป็นโยมก็มาอยู่ที่นี่นเป็นขยะเนี้ยนะเราก็ขนขวายดูแลกันหยิบมาทํา บางคนทําแล้วก็ได้ฝึกงานฝึกงานช่างมาด้วยนะอยู่ข้างนอกไม่เคยได้โอกาสไม่เคยมีโอกาสมาอยู่ข้างในนี่มีโอกาสฝึกงานเงี้ยนะไม่เคยรู้มันก็ไดเ้เรียนรู้ตอนนี้แหละทั้งๆที่ไม่รู้ก็เรียนถูกเรียนผิดอย่างนี้เราก็ได้เห็นนะตายสุดก็ไม่ได้บวชต่อแล้วก็กลายเป็นทํางานต่อขอ้างนอกเนี้ยมันก็มีอยู่เยอะเลยทีแรกก็ตั้งใจว่าจะบวชปฏิบัติพอไปหยิบจับงานก็ทําไปทํามาฟุง้งซ่าน เห็นช่องทางได้เพื่อนเลาชวนก็ไปทํางานข้างนอกศึกไปทํางานก็มีเหมือนกันมามันจึงประมาทไมปนะแต่ว่าอย่าเอาตันหาไปละตันหาเอ๋อย่าเอาเมถุนไปละเมถุนเมถุนไปละเมถุนหมายความว่าไงอย่างเราบวชในเมทุนทันทุนก็ใต้ทุนนะนะไต้ทุนนี่มันมันต่ํำเราแตงสกุลนี่มันสูงแต่ว่าลักณะของสถุนเนี่ยไต้ทุนเนี่ยต่ำอย่างเดียวเลย เมถุนเมถุนมีอะไรต่ํามันมีอะไรมัง่งเช่นอะโคจรทั้งหลายทั้งปวงนะต่ำํำหรือว่าแล้วนะการได้เห็นได้ยินได้ฟังนะเพศตรงข้ามนะ แ, ลาแล้วพอใจในอะไรว่าต่าเมทุนนะได้สัมผัสวัตถุนามายนะอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเมทุนของเพศตรงข้ามอย่างเงี้ยะได้นวดเฟ้นสบายรู้สึกสบายนะืสบายตัวนะแล้วก็ติดการนวดเฟ้นสบายนนี้ก็เมถุนเหมือนกันนะ่ะ หรือว่านึกถึงในการเก่าเคยหัวเราะกับมาตุคามเคยระนาของการอยู่กับภรรยาสามีแล้วก็ปฏิบัติไปกันึกถึงไปนี่ก็เมตุนเหมือนกันจิตต่ำเหมือนกันหรือว่าเห็นกหาบาดีเข้ามารู้สึกกูอิ่มแน่ัรู้สึกว่าเออมาเนตวาย ปัจใจสี่ตะหวายอาหารเฮ้ยมาแล้วอย่างงี้นะอันนี้ก็เมถุนเนื้อประเภทนี้จิตต่ําจิตตกหมดจิตเสื่อมหมดเห็นกาบดีมาปนเปลอยปฏิบัติเพวัะนั้นมันรู้เท่ารู้ทันถ้าฝึกสติเรารู้เออมันมีจุดที่มันปกติอันนี้มันเป็นสุกเหนือกามเพราะฉะนั้นสุกนี่มีหลายระดับสุกในกามก็คือไอ้ประเภทนี้อาศัยวัตถุกรรมวัตถุคุณทั้งหมดอยู่แล้วติดต้องการวัตถุหนึ่งสองสามได้นขนไกว มันแตกต่างจากแล้วนะของบินตาบาเพราะเขาถวายโดยศรัท ธ, ธาโดยความเชื่อแยกแยะให้ถูกตรงนี้ถ้าโดยศรัท ธ, ธาโดยความเชื่อแสดงพวกนั้นมีศีลศีลนํำภพกระซับมาให้พวกนั้นมีศีลศีลนําสุขมาใ ห, าให้อยู่คนเดียวได้สบายกว่าระนี้แล้วก็อยู่โดยปัญญาถ้าจะอยู่แล้วก็ทํางานเนี่ยมีความสําเร็จแน่นอนตรงนี้จะรู้จริงแน่นอนจะไม่ได้ ม, มัวเนมแต่ว่าบางทีเขาจะแกล้งโง่ได้เพราะว่า ถ้าแสดงปัญญาไปมากๆเนะี่ยมันจะเป็นภัยแก่ตัวเรารู้แล้วเด่นทำแล้วเด่นก็เป็นภัยดันทีเขาซัดแน่นะเหมือนกับต้นไม้ต้นไหนมีผลงามๆอร่อยๆเดี๋ยวเรียบร้อยนะพวกไปเดินจนต้นนิช้าไม่หมดละเราก็ได้เห็นอ๋อมันมีอยู่ในโลกใบนี้สุขในกามต่อมาก็คือสุขในสมาธิแล้วก็ชอบเห็นนะมาที่นี่แนวเคลื่อนไหวอนะพวกชอบนั่งกันนิ่ง นั่งไม่ยกมือมันอยู่ในความสงบดิ่งประเภทนี้ปัญญาไม่มีพยโยน์ก็สอบให้โยนอารมณ์ให้สอบตกติดอารมณ์ทันทีประเภทนี้จะเดินหนีละลังเกียจทันทีจะไม่เอาเลยและอารมณ์ประเภทลบๆอารมณ์ไม่ดีนะพยายามที่จะทําทอะไรดูสวยงามงดงามและท้ายสุดชอบยกยอปอป้านประเภทนี้แต่ว่าไม่จริงใจต่อกันเราก็จะเห็นนะคนประเภทนี้นำเสียงไว้ยังไงกีฬายาการําพูดใช้ลักษณะไหนเราได้เห็น แต่ท้ายสุดคบไม่ได้แบบ น, นี้ต่อมาก็คือเป็นสุขนะที่เกิดจากการฝึกการเจริญสตนะิแล้วก็มีปัญญาเห็นโลกนะเห็นโลกโอ๋อมันเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมานะแล้วเราก็ได้คำตอบมันก็เป็นความสุขอีกชั้นหนึ่งมันให้พิธีเรานะพิติสุขทุกครั้งที่เห็นรูปน้ำก็เกิดพิติทุกครั้งที่ผ่านความม่วมก็เกิดพิติทุกครั้งที่บางทีนะ มันเจอมันเจอนะความทุกข์เก่าๆแล้วก็มันก็รู้ทันนะเอ๊ยความคิดทุกข์เกิดขึ้นมาคิดโกรธคิดกลัวคิดกุ้มะมันเกิดขึ้นมาคิดละอะไรอาวานันคิดแปรดิที่เบ น, นะวัดมันรู้เท่ารู้ทันมันเกิดปิติขึ้นมาอารมณ์ต้นอะไรนะนะแต่ท้ายสุดก็คือมันไม่เอาปิติมันไม่เอาความสุขปิติก็ไม่เอาปัสสัตทิก็ไม่เอาความสงบก็ไม่เอาความสุขก็ไม่เอา มันรู้เฉยๆขึ้นมาเป็นปกตินะแล้วตรงเนี้ยไปอยู่กับโลกอะนะไปอยู่มันอ่านออกเลยนะอ๋ออ๋ออ๋อมิตะอ๋อเลยนะแล้วจิตมันปกติอยู่เหมือนเดิมไม่ได้วันไหวอะไรนะจะพูดจะจาจะสนทนาพูดคุยจะทํางานทําการจะทำอะไรก็เฉยๆอะแล้วมันมันทํางานแล้วมันรู้เท่ารู้ทันแล้วไม่ได้เกิดจากตัวเองเลยนะแต่เป็นการทําตามเหตุตัดปัจจัยของภายนอกที่เขาสร้างสถานการณ์ขึ้นมานไม่ว่าจะโดยพันเต หรือว่าคนที่บวชก่อนหรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราให้ความเคารพอย่างพ่อเขียนจารีสารอะไรก็ตามเขาสร้างเงื่อนไขขึ้นมาแล้วเราก็ทําตามปฏิบัติตามานะโดยที่ไม่ได้เก้อเขินโดยที่ไม่ได้เหมือนกับว่าจิตใจของเราทุกใจมันธรรมดาธรรมชาติเกิดขึ้นมาอย่างี้ตรงนั้นนั่นเป็นความสุ่ยแปลกๆที่ทางโลกก็ไม่เคยสอนให้เราพ่อก็ไม่เคยสอนแม่ก็ไม่ได้สอน นะครูบาอาจารก็เคยบอกพระตามวัดก็ไม่เคยบอกเรามิได้บอกให้ทําบุญทาทานอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเรียอะไรไปแต่ของเราไม่ต้องในะอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยไม่ต้องเรียอะไรอะไรเลยนะไม่ต้องพูดอะไรสักคาปากนี่รวดซิปเลยเงียบกิบเลยแต่ท้ายสุดเทวดาร้อนก้นเห็นความไม่ดีตรงไหนก็โอ้อาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้งั้นะเราจะเพิกเฉยเลยล่ามก็ไม่มีปัญญาแล้วนะอันนี้มันการทําดีเป็นมงคลนะ อยู่ในมงคลสาสิบประการแน่นอนรับรองได้อย่างนี้นะพราะมันมีหลักสูตรอยู่การเรียนรู้เราทำบัสสุตรวันตอนเช้าเราก็ได้รู้ทฤษฎีมีอะไรบ้างมงคลสาสิบแปอย่างนี้นะแด้ยิ่งเราเห็นว่าเออเวลาคนก็เกิดใจเป็นบุญก็จะสร้างสรรค์นนเรียกว่าความดีความงามตั้งแต่วัตถุหนึ่งสองสามหรือว่ากฎระเบียบกติกาก็กําหนดตกลงร่วมกันต่างๆมันเกิดจากบุคคลที่เขารู้จริงเราก็โอ้คล้อยตามได้เลย เลียไปบัตรตามไม่มีความขัดแย้งเพราะขัดแย้งก็คือทุกข์อย่างทวัดเจ้าอย่างเงี้ยนะะถ้าใครไม่มาทําวัดมีความขัดแย้งก็คือทุกข์แล้วแหละใจของเขาอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่แล้วก็ทุกข์เพราะปกติมันก็มีนัวัดที่ไม่ต้องทําวัดส่วนมโนมีให้พากันไปเลยเช่นวัดลมโพธิธรรมนี้ไม่มีการทําวัดส่วนมลหรือีกหลายวัดรอบๆบริเวณนี้ไม่มีการทำวัดเจ้าหลังจากออกพรรษาแล้วนะแต่ของเรานี่เรามากันอย่างที่มาเนีนาโมทนาจริง มันเป็นเรื่องของการที่เราไม่ได้ขัดแย้งกับชุมชนแล้วเราก็ตามใจชุมชนให้มาก็ามาอย่างนี้นะอย่างเรื่องการบินทบาทก็เหมือนกันผมก็มองดูว่าถ้าไม่บินทบาทแล้วคนจิตใจทุกเดี๋ย ว, วันหลังจะไปบินให้นจะไปบินทบาทให้ทุกวันเลยแต่ต้องหาคนมาทาหน้าที่ตอนเช้าแทนเดินลอกวัดดูรังผึ้งหรือว่าเ อ, อดูคนแปลกหน้าหรือว่าคนอารมณ์ เวลาปฏิบัติตอนเช้าติดอารมณ์แก้อารมณ์าต้องมาอยู่ช่วยแก้อารมณ์ให้เขาด้วยอยู่ดูแลนักปฏิบัติตอนเช้ามาเปลี่ยนเวรกันนะถ้ามีคนคนนั้นเมื่อไหร่แล้วเรียกว่าออกปฏิาบาติได้สบายนะนะอันเนี้ยมันจะเรียกว่าอยู่กันด้วยการเกื้อกูลเห็นตรงไหนมปนจุดอ่อนพาตัวเองทํารับผิดชอบกันตระหักรู้ตระน า, นาพวกเราทุกคนทุกท่านที่มาฝึกความรู้้รู้รรตัวกันโดยอาศัยสภายะสิ่งแวดล้อมวัดป่าสุกัสโต เพื่อเราได้มีโอกาสได้เดินทางพัฒนาตัวเองเข้าสู่จดหมายปลายทางของชีวิตก็คือวิมุตตหลุดพ้นหรือเรียกว่าทำพันิพาณให้แจ้งก็ว่าได้ในฐานะที่เกิดเป็นชาวพุทธนะแล้วเราก็เกิดเป็นมนุษยชาตินะที่มันมีคำสอนคำบอกอยู่เป็นคำท้าทายด้วยพะหลวงปู่เทียนเจีย๋ยพอท้าทายมากว่าเออถ้าใครเคลื่อนไหวรู้สึกตัวอย่างนี้แล้วนไม่เกินสามปีปามทุกมันหมดลงเนี่ย ตัอย่างน้นอยๆก็อาาคาร์มีมันน่าสนใจนะมันมันน่าที่จะเรียกว่าท้าทายตัวเองทดลองดูนะเท็มกันก็คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะโดยส่วนตัวผมแเริ่มมาเนะี่ยตั้งใจอยู่สองปีงนั้นนะบวชอยู่สองปีท้าทายคำสอนเนะ่ยสามปีหลวงปู่เทียนท้าทายไว้สองปีที่ตั้งใจมาบวชตอนนี้มาอยู่พรรษาที่สิบสี่ปีนีนะ้ก็มองดูว่าเออยมาความคิดมันเปลี่ยนไปฮนะ รู้สึกว่าอยู่ที่นี่มันสงบเย็นเป็นสุขดีตรงนี้มีปัญหากันน้อยมากไม่เหมือนกับอยู่ข้างนอกนอยู่ข้างนอกมีปัญหาเยอะะแต่เราก็ยังผ่านมานต้องแย่งกันทําอาชีพอย่างเงี้ยมีงานสักชิ้นหนึ่งก็ต้องลุมกันแทะลุมกันเล็มน ะ, นะต้องใช้วิชามารต่างๆมากมายเรวต้องอยู่ให้เหนือชั้นคู่ต่อสู้ของเรามันก็ผ่านมาอย่างนั้นกันแล้วเห็นว่าอยู่ที่นี่นการชนะตัวเองนี่สําคัญ มันเคยล่อลุ่มมันเคยทําอะไรแบบเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนเปลี่ยนพืชมันก็หายไปลดลงลดลงลดลงเข้าใจก็อื่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมีอยู่ในใจของเราแทนที่จะเป็นคําพูดของหลวงพ่อครูบาอาจารย์แต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วอย่างเงี้ยมันมีสิ่งเนี้ยทำกล้าบอกกล้าสอนกล้าชี้กล้านํำมันหนาหายแบบนั้นขึ้นมามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยมันเกี่ยวกับเออ ได้ทําอย่างนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นบุญสูงสุดในการที่ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เียมันเห็นประโยชน์ตรงเนี้นะมันก็เลยอยู่ได้เลยด้วยมันยังอยู่ได้กับความรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเห็นประโยชน์ซึ่งมันเป็นคุณค่าจริงๆสําหรับชีวิตของเราแล้วก็พวกเราทุกคนตรงเนี้มันไม่มีการโกหกหลอกลวงกันตรงนี้แน่นอนทุกค น, ท, กคนทุกครั้งที่กลับมารู้สึกตัวนทุกครั้ง มันก็คือแล้วนะของทำ ม, มาติมปรากฏอยู่แล้วสัจธรรมความเป็นจริงปรากรดอยู่แล้วในตัวเราทุกคนเลยความไม่ทุกโดยเพราะทุกที่เกิดจากความคิดนะี่ยทุกครั้งที่ผัสสะสัมผัสรู้ความรู้สึกเนะี่ยที่กายของเราแต่ละขณะนะมันเกิดความคิดขึ้นมาก็ถูกรู้เท่ารู้ทันอยู่แล้วหรือว่าไม่เกิดความคิดขึ้นมามันก็ออกจากความคิดอยู่แล้วนะตัวนี้คือเคล็ดลับที่ไม่ลับจริงๆหลวงปู่เทียนก็ประกาศบอกเปล่ปาเปละ เรือองตุภัตสัมมาของเจ้าก็เรียกว่าเกล็ดเรอธรรมจักกันนะแต่ว่ายุคเราก็ตีของรองเปล่ากันก่อนตีของรองเปล่าบอกกันอย่างเช่นอาจารย์สุรินทร์นะอันนี้ก็น่าโมโฑนาท่านมีอิเนเทอร์เน็ตนะท่านมีเว็บไซต์มีเฟซบุ๊กอย่างนี้นะมันก็ยิ่งกว้างขวางไปอย่างนี้พูดนะฟังไม่กี่คนนะฟังไม่กี่คนแต่อาจารย์สุรินทร์ในท่านเอาคําเทศคําสวดคําบอกคําสอน ไปเข้าในอินเทอร์เน็ตนะโอ้โหเป็นหมืน่มนๆคนเลยแมพวกเราอันนี้เรียกว่าใช้เทคโนโลยีนะแล้วตอนหลังคนก็เข้าวัดมาพอสนใจที่จะฝึกหัดเรื่องการเจริญสติก็รู้ว่าอ๋อวัดมีตรงไหนมัง่งเดี๋ยวนี้เขารู้กันไวมากเลยตรงนี้สอนอย่าง น, งนี้ตรงนี้สอนอย่างนี้ตรงนี้สอนอย่างนี้ท่องไปในเว็บเลยเนี่ยโอ้โหก็ก็มากันอย่างนี้ก็มาฝึกหัดปฏิบัติธรรมกัน เดี๋ยวนี้ก็ตละปีตละปีคนก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็เรียกว่าก็น่าชิ่นใจที่วัดป่าสโกโตมันเป็นการเตรียมพร้อมให้คนได้ไมาใช้ประโยชน์พวกเราทุกคนทุกท่านก็เอาอย่างหลวงพ่อขียนคือเป็นแค่สมผานโดยเป็นแค่ผานลงนะไม่ใช่สมผานไม่ใช่เป็นเจ้าไว้เป็นแค่ผานลงดูแลตรงนั้นตรงนี้ตรงน้ น, น, นทุกจุดให้คนได้มีโอกาสมาใช้ประโยชน์เหมือนที่เรามาใช้ประโยชน์ต่อไป อันนี้เป็นการกระตันยูตอบเป็นการดวลคืนเหล่ามาแล้วก็ได้ประโยชน์เราก็คืนประโยชน์ที่เราได้ให้กับสังคมนะโดยที่อยู่กับที่นี่แหละนะเดี๋ยวคนเข้าเข้ามากันเราก็แสดงให้กันดูนะความความเย็นเป็นยังไงหรือว่าความสงบเป็นยังไงนะความไม่บนใบในตัวเราเป็นยังไงเราก็แสดงออกให้กันเห็นเรียนะกว่าการยาณมิตรต่อไปนะก็กลายเป็นเรื่องของคนทุกคนนะที่มาอยู่ รวมกันในโลกใบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็าไปนะอันนี้ก็เผื่อใจเอาไว้นะวันนี้เราอยู่เดี๋ยวพวกนี้ก็ไปวันนี้เราอยู่เดี๋ยวปีหน้าก็าไปเผื่อใจกันเอาไว้นะวัดาาวาเราก็ยังได้เป็นที่พึ่งพาจิตใจของแต่ละคนแต่ละท่านต่อไปอีกนานเท่านานา น, นาึง น, นะนะเพราะฉะนั้นในไทยสุดนี้ก็ขอให้พวกเรา ท, ทุกคนทุกท่านที่มาปฏิบัติ ด, ดีนะก็เป็นมงคลสอสิบแล้วก็มาเพื่อพระวจานะก็ะเลยว่ามีความเป็นปกติตามสมควรแก่การปฏิบัติ เราก็จงใชนะ้กายใช้ใจของเราใช้วาจาของเราให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้เกิดการไม่เบียดเบียนตวยัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็พานะทุกคนทุกท่านนะที่อยู่ในวัดป่าสุกตัวในรั้วสุกตัวเนะี่ยให้เดินทางสู่การพ้นทุกขนะ์โดยการสร้างความรู้สึกตัวนะให้ปรากฏแล้วก็ขอให้ธรรมะสมควรในะ ก, การปฏิบัตนะิได้เป็นที่พึ่งในใจของทุกคนทุกท่านนะจนทั้ง มีความทุกข์ลดลงลดลงลดลงจนถึงความไม่ทุกข์ในวัรชาตินี้โดยทั้งนนะักการทุกท่านทุกคนนั้นเธอ